เส น, านา่หจะตาทุกๆครั้งเมื่อเห็นใครเข้ามาห่างไปก็เริ่มทูกต้องตามและชามหาและห่วงเวลาเธอต้องไปไหนไกลไกลอึดอัดหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรใช้ไหมที่หัว เชื่อใจมากกว่านี้แต่เพียงแค่ช่วงนี้